บารมีทั้งหมดเนี่ยนะเป็นตัวประกาศสัจจะบารมีทั้งหมดมีอะไรบ้างอย่างเช่นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเนี่ยนะบารมีทั้งหข้อที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นตัวประกาศให้รู้ว่าประกาศให้รู้จักสัจจะว่าผู้มีสัจจะนั่นแหละจึงให้ได้ผู้มีสัจจะนั่นแหละจึงรักษาศีลผู้มีสัจจะจึงมีความอดทนผู้มีสัจจะจึงมีความภาคเพียร ผู้มีสัจจะจึงเจริญฌานผู้มีสัจจะนั้นจึงเจริญปัญญาพราะบารมีไม่ว่าจะเป็นทานศีลวิรยิยฌานปัญญาเป็นตัวที่ประกาศให้รู้จักสัจจะทั้งวจีสัจจะวิรติสัจจะจนถึงญาณสัจจะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อริยสัจจะมีปัญญาเอาอริยสัจจะมาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้เตือนเนี่ยน ะ, ะโดยใช้ อัครพยัญชนะบทพยัญชนะอาการนิรุตินิเทศไม่มีประมาณเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกสมุทัยนิโรธมักพันเกิดจากบารมีพับารมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเนี่ยประกาศให้รู้จักสัจจะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสัจจะบารมีทุกข้อไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะ ฌานปัญญาเนี่ยประกาศให้ทำให้จากพระปรากฏชัดอย่างพระพุทธเจ้านี่เรารู้เลยว่าพระองค์เป็นนะเสียสละเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเป็นผู้เสียสละสละนั้น่ะสละด้วยรสละด้วยการให้ทานสละด้วยการรักษาศีลสละด้วยการเจริญขันติสละด้วยวิริยะสละด้วยฌานสละด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้ที่ ที่มีจากคะจริงๆเนี่ยนะก็ดูจากเขามีทานมีศีลมีขันติวิริยะมีฌานและปัญญาถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้เอาอะไรมาเป็นตัวบอกว่าคนนี้เขามีามจาาักคะเป็นนักเสียสละเป็นผู้ที่เสียสละหรือเรียกว่าผู้เสียสละเนี่ยก็ดูจากทานศีลขันติวิริยะฌานแล้วก็ปัญญาบารมีทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวพอกพูนความสงบพอกพูนความสงบ อย่างเช่นการให้ทานเนี่ยนะมันก็คือการสูญเสียเข้าของออกไปถามว่าถ้าไม่มีการให้ทานเนี่ยนะถ้าของเสียและใจมันสงบไหมถ้าไม่ฝึกให้ไม่ฝึกให้ไม่ฝึกให้ไม่ฝึกใ ห, ไกให้ไม่ฝึกให้เพียงพอเนี่ยนะเมื่อจะจากสิ่งเหล่านี้จะอยู่ด้วยความสงบไหมบอกยากเพราะการให้เนี่ยเป็นการพอกพูนความสงบการรักษาศีลก็เป็นการพอกพูนความสงบ การมีขันติก็พอกพูนความสงบความมีภาคเพียรในการมีความภาคเพียรในการเจริญกุศลธรรมก็เป็นการพอกพูนความสงบการเจริญฌานทั้งหลายก็เป็นการพอกพูนความสงบการอบรมการเจริญปัญญาก็คือการพอกพูนความสงบจากสงบปราคะสงบโทสะสงบโมหะสงบอกุศลสงบสังคตะธรรมสงบวัตตะที่เรียกว่าสงบพระนิพพานความสงบ อย่างสูงสุดสุดยอดก็คือพระนิพานพันธุที่จะเข้าถึงความสงบได้จริงคุณธรรมที่จะทำให้เข้าถึงความสงบก็คือทานศีลขันติวิริยะฌานและปัญญาเนี่ยนะแล้วก็ปัญญาเนี่ยมีความบริสุทธิ์ได้ก็มาจากอะไรบารมีบารมีนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ปัญญานั้นบริสุทธิ์อย่างเช่นปัญญาที่ฐานเนี่ยนะ ถ้าใครที่เห็นแก่ตัวไม่เคยเสียสละเลยเนี่ยเราอยากพูดไหมว่าเขาคือผู้มีปัญญาแท้ไม่คนที่มีเล่ห์ทุบายเล่ห์เพศทุบายไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยเราพูดได้ไหมว่าเขามีปัญญาจะมีอะไรแนตะ่ เ, เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวศีลก็ไม่มีก็มีอะไรมีแต่ความเป็นนักหลอกลวงเท่านั้นเองเพราะนั้นทานศีลขันติวิริยะ ฌานปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ประกาศเป็นตัวที่ทําให้ปัญญาเนี่ยบริสุทธิ์ดังั้นปัญญาที่ถึงความบริสุทธิ์ก็ดูจากทานศีนคันติวิริยะฌานและปัญญาเนี่ยนะชวนอีกครั้งหนึ่งว่าบารมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเป็นตัวประกาศสัจจะเป็นตัวที่ทําจากะให้ปรากฏเป็นธรรมะที่พอกพูนความสงบ สงบจากบาปอากุศลธรรมสงบวัตตะและก็ความสงบที่สูงสุดคือพระนิพพานทานศีลขันติวิริยะฌานปัญญาเป็นธรรมะที่ทำให้ปัญญาบริสุทธิ์เพราะว่าผู้ที่มีปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้ามองปราศจากความหม่นมองปราศจากความขุนมัวก็ดูจากว่าเขาเป็นนักให้นะเป็นให้วัตถุทานให้อภัยทานเป็นคนที่มีความอดทนมีความภาพเพียรพยายาม มีชาญแล้วก็มีความรอบรู้เพราะปัญญานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาบริสุทธิ์จริงอยู่สัจจะเป็นเหตุเกิดแห่งบารมีถาม อ, อีกนนี้พูดแปลกลับมา้วเมื่อกี้บอกว่าบารมีเนี่ยเป็นตัวประกาศสัจจะทำจากฆ่าให้ปรากฏพอกพูนอุปสมะทำให้ปัญญามีความบริสุทธิ์ทีนี้อธิฐานธรรมสีนี่แหละ ในอธิฐานธรรม 4, สี่สัจจะเป็นเหตุทำให้บารมีเนี่ยเกิดขึ้นจาระเป็นเหตุกำหนดบารมีอุปสมะเป็นเป็นตัวทำให้บารมีเนี่ยเจริญรอบปัญญาเนี่ยเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ของบารมีย้อนกลับมาว่าสัจจะเป็นเหตุเกิดแห่งบารมีนี่ก็ชัดเจนนะถ้าไม่มีสัจจะจะให้ทานไหมยากถ้าไม่มีสัจจะจะรักษาศีลไหมไม่ ถ้าไม่มีสัจจะจะมีความอดทนไหมไม่มีถ้าไม่มีสัจจะจะภาพเพียนพยายามในการละบาปเพิ่มพูนบุญกุศลไหม <i> บอกยากถ้าไม่มีสัจจะคิดหรือว่าจะเจริญฌานทั้งหลายยากถ้าไม่มีสัจจะคิดว่าจะมีปัญญาไหม <i> คิดว่าจะเพิ่มพูนสติปัญญาไหม <i> บอกไม่มีเพราะสัจจะนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดบารมีสัจจะเป็นเหตุให้เกิดทานสัจจะเป็นเหตุให้เกิดศีลสัจจะเป็นเหตุให้เกิด คันตะความอดทนสัจจะเป็นเหตุให้เกิดความภาพเปียรพยายามสัจจะเป็นเหตุให้เจริญฌานสัจจะเป็นเหตุให้เจริญปัญญาอธิฐานธรรมคือจากะเนี่ยนะเป็นเหตุกําหนดบารมีทั้งหลายเช่นว่าความเป็นนักเสียสละเนี่ยนะกําหนดว่าทานบารมีเขาจะแค่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่ความเสียสละเช่นบางคนเนี่ยให้ทานเนี่ยนะถ้าให้แบบ ให้ของที่ตัวเองไม่ชอบให้ได้แต่ถ้าของเริ่มชอบก็ชักไม่ให้และบางคนนี่ให้ของชอบได้แต่ใกล้ๆให้ไม่ได้บางคนเนี่ยของชอบภายนอกให้ได้หมดเลยแต่อวัยวะให้ไม่ได้บางคนอวัยวะให้ได้แต่ชีวิตให้ไม่ได้แต่ว่าจา้ะของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นจา้ะสละทุกอย่างจึงกำหนดว่าฐานบารมีของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยม เพราะความที่พระองค์มีจาระนั่นแหละฐานบารมีของพระองค์จึงบริบูรณ์ความที่พร e e ะองค์มีจาระมีการสละอันนี้เป็นเหตุกำหนดให้ศีละบารมีของพระองค์บริบูรณ์เพราะความที่พระองค์เนี่ยสละอย่างที่ว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาศีลบางอย่างที่ต้องสละทรัพย์เพื่อรักษาศีลบางอย่างก็สละอวัยวะเพื่อรักษาศีลหลายครั้งก็สละชีวิตเพื่อรักษาศีลเอาไว้เพราะจาคะความสละ สละทั้งวัตถุสละทั้งอวัยวะสละทั้งชีวิตเป็นตัวกําหนดศีลเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยนะศีลไม่ดีเพราะว่าเรียกว่าศีลขาดเพราะเห็นแก่ญาติเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อวัยวะเห็นแกย่ยศชื่อเสียงเห็นแก่อวัยวะเห็นแก่ชีวิตเนี่ยนะก็ทําให้ศีลไม่ดีแต่ถ้าผู้ที่จะรักษาศีลได้สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยนะจะไม่มีสิ่งใดเป็นเหตุอ้างจน จนเสียศีลเนี่ยนะไม่มีเหตุผลจนต้องทำลายศีลเพราะเห็นแล้วว่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้โพธิยานนั้นบริบูรณ์เป็นตัวที่อ่เป็นตัวอุปนิสัยปัจจัยที่สำคัญต่อโพธิยานนั้นจึงสละทุกอย่างเพื่อทำบารมีคือศีลละบารมีเนี่ยให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ความที่เป็นนักเสียสละจึงทนอยู่ได้ถ้าคนที่ไม่มีความ เสียสละเลยหรือสละอะไรก็ไม่ได้ห้วงแหนไปหมดเนี่ยนะคิดว่าจะอดทนได้ไหมจะอดทนได้ไหมที่จะไม่โกรธที่จะไม่หงุดหงิดที่จะไม่เครียดเป็นต้นเนี่ยยากเพราะเนื่องจากเป็นนักเสียสระนั่นแหละจึงอยู่ด้วยความอดทนเนี่ยนะความที่เป็นนักเสียสละเนี่ยจึงสละสละทุกอย่างแล้วก็ภาคเพียรพยายามนะนะสละเพราะว่า วัตถุบางอย่างเนี่ยที่หวงแหนแต่มันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลก็สามารถที่จะสละทุกอย่างเพื่อเพื่ออะไรเพื่อละอกุศลเพื่อเจริญกุศลเพราะว่าอากุศลธรรมบางอย่างที่จะจะละมันได้ออกไปเนี่ยบางทีมันต้องสละอย่างอื่นอีกหลายเรื่องจึงจะสละอกุศลธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นออกไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยบุญบางตัวที่จะเจริญได้ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันต้องสละจริงๆนะ ถ้าไม่ใช่นักสละจริงๆที่จะละบาปจเจริญบุญโดยเฉพาะบุญระดับสูงระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมีแต่สละยิ่งยิ่งขึ้นเขาบอกว่าคนที่จะรักษาศีลดีๆเนี่ยนะโดยเฉพาะกุศลกรรมบทเนี่ยจะต้องรักสละอกุศลกรรมบทออกไปทีนี้ถ้าพูดแบบธรรมดาเราทั่วๆไปอุ้มจะไปยากอะไรอกุศลกรรมบดประตูอบายอย่างนั้นอย่างงี้พูดได้ไม่ยากแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆเนี่ย กาที่จะประพฤติให้กลายเป็นสุจริตวจีให้เป็นสุจริตคิดให้เป็นมโนสุจริตนี่เอาเข้าจริงนี่ไม่ง่ายเมื่อไม่ง่ายอะทำไงก็ต้องเป็นนักสละกล้าสละออกไปทีนี้ไอการที่อั น, นิสละเพื่อสุขคติแล้วนะถ้าสละเพื่อพรหมโลกต้องสละมหาพูทออกไปเกือบทั้งหมดเลยนะจึงจะเรียกว่าเปิดประตูพรหมโลกได้แต่ถ้าพระนิพพานด้วยมันต้องสละอะไรบ้างสละแม้กระทั่งบุญออกไปอีก สละทุกอย่างจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่จะภาคเพียรพอกพูนภาวนาบุญกุศลระดับสูงต่อไปนั้นจึงเป็นผู้ที่สละจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่อย่างว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพื่อการสั่งสมเป็นธรรมะเพื่อเพื่อการเสียสละอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจาคะเนี่เป็นเหตุให้เจริญฌานทั้งหลายจาคะเป็นเหตุให้เจริญปัญญาทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่ฌานเจริญฌานทั้ง พวกคือกลุ่มสมาธิทั้งหลายวิตกวิจารณ์ปีติสุขสมาธิเนี่ยนะกุศลธรรมในสายสมาธิเนี่ยต้องสละสูงมากจึงจะเจริญได้เนี่ยนะสละอะไรวัตถุอันเป็นที่รักออกไปแล้วก็โดยเฉพาะปัญญาเนี่ยนะจะต้องสละเยอะมากปัญญาจึงจะเจริญถ้ายังเป็นคนที่หวงแหนยึดติดแม้กระทั่งความคิดของตัวเนี่ยยากที่จะมีปัญญาต่อไปได้เพราะว่าสิ่งที่ปิดกัน้นทาให้ปัญญาไม่เจริญไม่งอกงามก็คือ ออก็คือความยุติดในความคิดของตัวนั่นแหละนะมันจะต้องสละแม้กระทั่งความคิดก็หรอกแม้แต่กระทั่งความคิดอย่างสละได้จะ ก, กล่าวไปใหญ่ถึงเรียกว่าสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเนี่ยนะนะก็สละได้ทั้งหมดพันจาระคะเนี่ยเป็นตัวกําหนดบารมีกําหนดนะนะกำหน ด, นะหนดบอกเลยว่าบารมีของเขาทําได้แค่ไหนเนี่ยดูจากเสียสละสละแค่ไหนเนี่ยนะอย่างเอกอันหนึ่งเนี่ยนะทำไมบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยนะ นานเหลือเกินที่จะเจริญได้เต็มเปี่ยมบอกทำไมนานเหลือเกินก็เพราะว่ากว่าจะสละได้เนี่ยจะมีการต่อสู้กันพบแล้วพบเล่าเนี่ยนะกว่าจะสละได้บางอย่างนี่กว่าจะสละได้ก็สละได้ลหลายๆปีนะกว่าจะสละสิ่งแต่ละสิ่งออกได้แต่สละเรานั้นก็ยังไม่พอทำยังไงจึงเรียกว่าสละได้มั่นคงแล้วก็ตลอดไปเรียกว่ามีการฝึกลองแล้วลองอีกทาแล้วทาอีก เรียกว่าเป็นนักวิจัยเพื่อการสละบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย้ก็การเสียสละนั่นแหละเป็นตัวกําหนดบารมีบารมีเป็นฐานรองรับโพธิญาณต่อไปอุปสมะเนี่ยเป็นเหตุเจริญรอบแห่งบารมีทั้งหลายอุปสมะใช่ไหมเป็นเหตุเจริญบารมีอย่างเช่นให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่สงบก็ให้ได้ยาวไม่ได้รักษาศีลเนี่ยนะถ้าไม่สงบเนี่ยนะ ศีลเอ่อศีลห้าอาจจะว่าทำมา จ, จนชํานาญแล้วนะศีลแปดเนี่ยถ้าไม่สงบนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะแล้วศีลสูงสูงสูงๆขึ้นไปอีกถ้าไม่มีความสงบบารมีเนี่ยไม่เจริญบริบูรณ์แน่ทั้นความสงบทําให้ทานเนี่ยบริบูรณ์ความสงบทําให้ศีลบริบูรณ์ความสงบทําให้มีความอดทนอย่างบริบูรณ์ความสงบนี่แหละทําให้อ่าภาเพียรพยายามได้อย่างต่อเนื่องคนที่สงบ เป็นคนที่เจริญฌานได้ได้มากเนี่ยนะคนที่สงบนี่แหละจึงจะมีปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นมีความสงบเป็นเหตุใกลที น, นี้ปัญญาทิฏฐานเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์บารมีแต่ละข้อบริสุทธิ์แท้จริงเนี่ยนะจะต้องตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาอย่างเช่นว่าถ้าไม่มีปัญญาในการให้ทานเนี่ยนะทานอ น, นั้นถูกตันหาและทิฏฐิฉาบทา ตันหานี่บวกมานะเข้าไปด้วยบางทีเนี่ยการให้ทานมานะก็ฉาบเช่นว่าโอ้เราให้ได้คนอื่นให้ไม่ได้เราให้มากคนอื่นให้น้อยเราให้ของดีคนอื่นให้ของเลวเป็นต้นเพรานั้นถ้าไม่มีปัญญาพอทานเหล่านั้นจะฉาบไลด้วยตันหาและมานะเนี่ยนะตันหาก็จะยึดว่าของเรามานะก็ว่าเรานี่คือบุคคลพิเศษอันนี้ก็เพราะขาดปัญญาในการพิจารณา ถ้าไม่มีปัญญาพอเนี่ยนะการรักษาศีลก็ถูกฉาบด้วยตันหามานะและทิฐิเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าของดีๆทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลขันติวิริยะกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาเนี่ยโอยอาหารที่ตันหาอร่อยมากเนี่ยนะตันหาก็ชอบมานะก็ลำพองขึ้นเพราะว่าเวลามานะนจะเกิดอาศัยอะไรก็อาศัยของดีๆทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะ แล้วก็สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่รอบคอบอย่างแท้จริงไม่มีปัญญาจริงเข้าเอียงเข้าหามิจฉาทิฐิได้ไม่ยากเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อไหมคนให้ทานเนี่ยนะจะถูกเกลี้ย ก, กล่อมโดยมิจฉาทิฐิบุคคลง่ายมากเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายต้องการอะไรต้องการสเสบียงใครที่จะให้สเสบียงตัวเองได้มากก็คือพวกนักให้ทานงั้นมิจฉาทิฐิทั้งหลายก็จะเสี่ยมสอน นะเสียมสอนนักให้ทานพนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาจริงสักพักเดียวก็กลายเป็นคนที่มีทิฐิอันใดอันหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเนะพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นตัวที่สําคัญมากรักษาความบริสุทธิ์แห่งการให้ทานได้อย่างดีและต่อเนื่องก็อาศัยปัญญาปัญญานี่แหละทาให้ศีลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์เป็นศีลที่ไม่ถูกฉาบทาลูบไลด้วยตัณหามาณและทิฐิทั้งหลาย แล้วก็มีความอดทนก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยไอ้ความอดทนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นความอดทนที่แท้จริงอะไรบางทีก็กลายเป็นจําอดจําทนไปเนี่ยนะถ้าจําอดจําทนเนี่ยไม่ใช่ความอดทนดังนั้นความอดทนนั้นบาปอกุศลไม่เกิดนี่แหละเรียกว่าความอดทนเมื่อมีเห ต, เหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นอกุศลไม่กลุ่มรุมไม่เกิดเรียกว่ามีความอดทนดงนั้นปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้สําเร็จความอดทน ปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เจริญฌานเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมิจฉาสมาธิก็จะตามมาถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยเจริญไปจเจริญ ม, มากลายเป็นว่าจเจริญ ม, มิจฉาสมาธิดีไม่ดีแบบว่าบางคนเนี่ยนั่งปั๊บเนี่ยหลับไปครึ่งชั่วโมงบอกโอ๊ยวันนี้สงบเยี่ยมคขาบอกงั้นสงบอะไรก็เห็นนั่งหลับอยู่บอกว่าเขาสงบมากเขาบองั้นเพื่อนๆ น, นี่เห็นบ่อยเลยเราก็ว่าทำไมหน้ากเกลียดขนาดนั้นบอกเขาสงบมากวันนี้ปิ้งเลยเขาบ่างั้นสงสัยเห็นคอพับไปแล้วบอกว่าสงบมาก จะเป็นไปได้ยังไงพันชานทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็กลายเป็นถีนะมิทะกลายเป็นหลับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยนะแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีปัญญาถ้าบางคนเนี่ยลำพองอู้ฉลาดเหลือเกินมีปัญญามากเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีปัญญามาเป็นเครื่องวัดปัญญาเนี่แหละเป็นตัววัดปัญญาว่าปัญญาจริงปัญญาแท้ หรือปัญญาปลอมเนี่ยนะถ้าปัญญาจริงเอาสุตตมยะปัญญามาวัดดูซิเอาจินตามยะปัญญามาวัดดูเอาภาวนามยะปัญญามาวัดดูเอากัมมสกตาปัญญามาวัดดูซิเนี่ยนะเกี่ยวกับกัมมสกตาเข้าหลักกรรมและผลของกรรมไหมสัจจานุโลมิกยานอนุโลมต่อการตรัสรู้อริยศาสตร์ไหมทั้นปัญญาเนี่ยนะปัญญาทั้งสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาเป็นต้นเนี่ย เป็นตัวมาตรวจชำระทำให้ปัญญาบารมีนี้บริสุทธิ์ขึ้นสรุปว่าปัญญาเป็นตัวทำให้ฐานะบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้สีลบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ขันติบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้วิริยะบารมีบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ฌานบริสุทธิ์ปัญญาทำให้ปัญญานั้นบริสุทธิ์เพราะบารมีเหล่านี้เนี่ยนะไม่ถูกฉาบทา ด้วยตันหามานะทิฐิก็เพราะว่ามีปัญญาทวนอีกว่าสัจจาธิฐานเป็นเหตุให้เกิดบารมีทั้งหมดจาคาทิฐานเป็นตัวกำหนดปริมาณกำหนดคุณค่ากำหนดราคากำหนดคุณภาพของบารมีอุปสมาธิฐานเนี่ยเป็นฐานรองรับทำให้บารมีแต่ละอย่างเจริญงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาเป็นตัวชาระบารมีให้ถึงความบริสุทธ ถ้าพูดถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะสัจจาทีฐานท่านบอกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งบารมีเบื้องต้นเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามีปฏิญญาเพราะมีสัจจะปฏิญญ า, ใ ช, ญญา 7, ใช่ไหมปฏิญญาเจ็ดใช่เราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยเป็นต้นเนี่ยเพราะสัจจะปฏิญญาที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหละเป็นเหตุให้ให้ทาน เป็นเหตุแห่งการให้ทานสัจจปฏิญญาอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งการรักษาศีลสัสจจปฏิญญาเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้มีขันติวิริยะเจริญฌานและเจริญปัญญาเพราะมีสัจจปฏิญญาพันสัจจะนี่แหละถือว่าเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นแห่งพระศาสนานี้อยู่ที่สัจจะตอนท้ายตอนจบอีกจริงๆก็อยู่ที่สัจจะอริยสัจจะนะแต่ว่าสัจจะอ น, นั้นเนี่ยระดับสูงต่อไปพันสัจจะจึงเป็นเบื้องต้น แห่งการเจริญบารมีจากาที่ฐานการดํารงมั่นอยู่ด้วยจากะถือว่าเป็นท่ามกลางแห่งบารมีเป็นท่ามกลางยังไงเพราะว่าจากาเนี่ยนะสละสละตนกรว่สละต น, สล ะ, ตนสละของขอ ง, ของตนสละวัตถุบริขารรวบจนมาถึงชีวิตของตนสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่พระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่มีความ ตั้งใจอย่างแน่วแน่พราะดูได้ว่าท่านกําลังปฏิบัติอยู่ก็ดูจากความเสียสละของท่านท่านสามารถสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเป็นข้อปฏิบัตินั้นจาระเนี่ยนะการเสียสละถือว่าเป็นท่ามกลางแห่งการสร้างบารมีเพราะช่วงที่กําลังสร้างบารมีนั้นคือช่วงที่กําลังเสียสละสมัยใหม่น่าคิดบอกว่าพระโพธิสัตว์บอกว่าเป็นคนขอทานให้คนอื่นมาร่วมสร้างบารมี ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้จริงๆแล้วพระโพธิสัตว์คือนักให้นักเสียสละนักบริจาคไม่ใช่เป็นคนที่ร้องเรียกขอคําบริจาคเหมือนนะอย่างบางคนเนี่ยสมัยใหม่พระโพธิสัตว์สมัยใหม่มหมน้าคิดว่าถ้าเราศึกษาไม่ดีกลายเป็นว่านักเรียอะไรเพื่อการบริจาคบอกโอ้ยสละร่วมกันสร้างบา ร, รมีนะแกพวกแกเป็นคนให้ฉันเป็นเงนรับกลายเป็นอย่างนั้นไปอันนี้คือเป็นความผิดพลาดไม่ใช่แน่นอนเพราะคําว่า พระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็คือผู้ที่เสียสละข้อปฏิบัติของท่านก็คือการสละเนี่ยนะสละทุกอย่างแม้กระทั่งสละอะไรวัตถุสละอวัยวะรวมถึงชีวิตเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นทําด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่มีเป้าหมายที่ชัดเจนพะนั้นบารมีจะเต็มหรือไม่เต็มก็ดูที่การสละสละมากก็เต็มเร็วถ้าสละไม่มากก็เต็มช้าเพราะนั้นอย่างผู้ที่มีปัญญา ม, มากก็สละได้มากก็ดูว่าท่ามกลางแห่งการ สร้างบาร assunto, <S S มีก็อยู่ที่การสละนั่นเองสุดท้ายบอกว่าความสงบอุปสมาธิฏฐานดํารงอยู่ด้วยความสงบถือว่าเป็นที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดของการสร้างบารมีอยู่ที่ความสงบเพราะสงบความสงบทั้งปวงถือว่าเป็นสุดท้ายเนี่ยนะในปฏิสัมพิธามักบอกว่าพระนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยนะเป็นที่ที่สุดของธรรมทั้งหมดเนี่ยนะเพราะว่าพระนิพพานนั้นถือว่าเป็นความ สงบที่แท้จริงสงบจากสังคตะธรรมทั้งหลายมันถือว่าอุปสมาธิฐานโดยเฉพาะสงบระดับพระนิพานนั้นถือว่าเป็นที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เห็นนิพานเนี่ยนะเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระนิพานนั่นแหละจึงเรียกว่าถึงถึงที่สุดแล้วตามความประสงค์ของพระองค์เอาแล้วปัญญาทิฏฐานอ่ะปัญญานี่แหละที่มีในประกอบทั้งเบื้องต้นประกอบทั้งท่ามกลางแลย ที่สุดถ้าไม่มีปัญญาสัจจาธิฐานในเบื้องต้นมีไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาจาคาทิฐานที่มีอยู่ในท่ามกลางก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาอุปสมมาทิฐานที่มีในที่สุดก็มีไม่ได้เพราะเมื่อสัจจะจาคาอุปสมะมีปัญญาก็มีก็หมายก็ว่าดูว่าคนที่มีสัจจะมีจาคามีอุปสมะแสดงว่าเขามีปัญญาถ้าสัจจาจาคาอุปสมะไม่มี ก็แปลว่าปัญญาไม่มีแต่ที่มีสัจจะจาค้าอุปสมะก็เพราะมีตามปติญญาเนี่ยนะตามที่ได้กล่าวไว้แล้วตามที่พูดแล้วเนี่ยนะทีนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในระหว่างที่ท่านท่องเที่ยวอยู่ในวัะตะร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้มันก็มีอยู่สองเพศเท่านั้นแหละคฤหัสถ์กับบรณฑชิตเนี่ยนะบวชกับไม่บวช ครืหัตถะก็คือผู้ที่ครองเรือนเนี่ยนะครืหัตใช่ไหมเครืหัตเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปล ว, ว่าบ้านเรือนครืหัตถะก็คือผู้ที่พวกดูแลบ้านเรือนสร้างอะไรก็ได้ที่มันพันพัๆอยู่กับบ้านกับเรือนทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าเมื่อท่านเป็นครืหัตผู้ครองเรือนทำไงชีวิตสร้างบารมีด้วยอธิฐานธรรมสองข้อก็คืออมิสทานด้วยการให้วัตถุทานทั้งหลาย โดยให้วัตถุนั้นทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนืองเนืองอาศัยอาศัยว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็บอกว่าครหัดผู้ครองเรือนก็คือผู้ที่บริโภควัตถุกลามทั้งหลายผู้ที่มีวัตถุที่น่าปรารถนาะน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะทั้งหลายแม้กระทั่งแก้วแหวนเงินทองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะนั่นแหละเลือกสวนไรนาที่ทํามาหากินข้าวของเครื่องใช้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะทั้งหลาย ท่านก็ให้วัตถุเหล่านี้นี่แหละโดยทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะพันการให้เนี่ยสำเร็จประโยชน์แก่ตนในพบต่ อ, ต, อต่อไปให้ผู้อื่นได้เข้าของเครื่องใช้สําเร็จประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยนะพันก็การให้นั้นสําเร็จประโยชน์ตนและผู้อื่นขณะที่ให้วัตถุเหล่านี้ก็ไม่ใช่ให้แบบทิงท้งทิ้งว่างๆให้ของเหลือใช้เป็นต้นไม่ใช่แต่ทําโดยความเคารพเนี่ยนะทำด้วยความเนะคารพทําแบบ ท่านบอกว่าทำแบบน่ารักอะ่ะที่ทําอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะท่านมีสัจจะ ด, จะดจาํ า, นะ ร, าดรงมั่นอยู่ในสัจจะดํารงมั่นอยู่ในจาคะเนี่ยนะเพราะดํารงมั่นอยู่ในสัจจะจาคะนี่แหละจึงสามารถให้วัตถุทานทั้งหลายทําประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นทุกครั้งที่ทําก็ทําด้วยความเคารพทําด้วยความหนักแน่นทําด้วยความมั่นอกมั่นใจเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าไปเป็นบนรรพชิตถ้าไปบวชละ่ะ อันหนึ่งถ้าหากว่าท่านเป็นบรรปชิตเป็นนักบวชก็อนุเคราะห์ผู้อื่นด้วยธรรมทานธรรมทานก็คือการให้ธรรมะด้วยการแสดงธรรมเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทีนี้ในการกล่าวธรรมของท่านท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ดารงตนโดยทาตัวเป็นผู้ที่น่าเคารพเป็นผู้ที่น่ารักก็คืออย่างว่าคนที่กล่าวธรรมะเนี่ยนะถ้าทาตัวเลวไหลเนี่ยใครอยากฟังบ้าง มันก็ไม่น่าฟังอยู่แล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสมทางกายก็ไม่เรียบร้อยทางวาจาอื่นๆไม่น่ารักเป็นต้นเนี่ยก็ เ, เป็นผู้ที่ไม่ไม่น่าเคารพไม่น่าฟังธรรมพะนั้นท่านให้ธรรมทานได้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยดำรงอยู่ดํารงตนโดยความเป็นผู้น่าเคารพเนี่ยนะที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากท่านมีอุปสมาที่ฐานนั้นพระโพธิสัตว์นั้นดํารงอยู่ในความสงบและดํารงอยู่ด้วย ปัญญาความสงบก็คือสมถะทั้งหลายปัญญาก็คือวิปัสนาดำรงอยู่ด้วยสมถะวิปัสนาหนักแน่นในกุศลธรรมทั้งหลายแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นพันจึงจัดสำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นจริงๆ